พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่8กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าพระผู้นำทาง นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดพระเทพสารชุทธิชาระเมธีเจ้าคณะจังหวัดกรสินที่เป็นผู้ริเริ่มจัดโครงการนี้ขึ้นมาหลายปีหลวงพ่อก็เคยได้มาแสดงธรรม แต่หลวงพ่อจะไม่ผิดว่าเป็นครั้งหนึ่งรือสองครั้งที่ได้มาแสดงธรรมอย่างในวันนี้คราวนี้แต่ในวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเองก็มีพระภาระหลายอย่างมือเช้าถึงอว่าออกมาจากวัดตั้งแต่ตีห้ามาทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อ ดูแลเพื่อเชาะเพื่อบำรุงที่พักผ้าอาศัยของหลวงปู่มั่นคือเสนาสนะที่ท่านหลวงปู่มั่นท่านสร้างกับชาวบ้านที่ท่านจํนาพรรษาสามปีฮะที่วัดป่าบ้านค้ออาเภอบ้านผือจังหวัดบุดรธานนี้ศรัทธาญาติโยมก็เห็นว่าควรจะหาที่มุงบังข้อเอาไว้กุฏิลังนี้เป็นกุฏิ เป็นเจดีย์เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ควรจะเคารพเคารพสักการะเพราะเป็นกุฏิของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเขาก็เลยมีการทอดผ้า ป, ป่าหลวงพ่อก็เลยมาเป็นประธานมื้อชเช้านี่ก็ได้จตุปัจจัยมากพอสมควรอยู่นะได้ปัจจัยล้านกว่าบาทล้านต้นๆ น, นะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ได้เดินทางมาที่นี่แหละ มาในงานของพวกเราแต่คิดว่าวันนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรหลวงพ่อแสดงธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คงจะเดินทางกลับก็ยังสองจิตสองใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าทางอำเภอสว่างเขาก็นนิมนต์แต่ตามไม่จริงการนิมนต์ของหลวงพ่อเนี่ยโดยมากกันลำลึกถึงพระคุณจะมากกว่า อย่างที่หลวงพ่อมาทอดพระปาเมื่อวานไอ้เมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นประธานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยเอาจะถูกปัจจัยของวัดหลวงพ่อก็สมทบเข้าไปอีกเพื่อสร้าง อ, อาคารครอบเจดีย์กุฏิหลวงปู่มั่นะรวมสมทบเข้าไปสี่หมื่นบาทเมื่อเช้า โดยมากหลวพ่อไปที่ไหนก็คิดคิดว่าไม่ได้ไปเพื่อมุ่งหวังอะไรเพื่อน้ําใจของพี่น้องประชาชนพระเดนที่รู้จักมักคุ้นผู้มีอุปกรณคุณสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตรวงพ่อก็ทําเดินเข้าไปสู่จุดนั้นเราไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่น เพราะนั้นมาคราวนี้ก็เช่นเดียวกันที่ท่านมีดีกาใน ม, มูลท่านเจ้าคุณเทพสารเมธีท่านพูดในจดหมายท่านบอกว่าด้วยคณะธรรมยุศจังหวัดกาลสินมีท่านเจ้าคุณพระเทพสารเมธีและวิทยา วิทยาลัยสาธารณสตร์เสริมประเกียตรติกาลสินมหาวิทยาลัยมหามากุฎราชวิทยาลัยได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานและอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่เผยแพ่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พระสังฆาธิการ ได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตลอดถึงเป็นแบบเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนโดยการจัดอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะกะกหนดรอบอระหว่างวันที่7ถึงวันที่11กุมภาพนะันธ์สองนณวัดโพธิพุทธคุณ ตำบลคําใหญ่อําเภอห้วยเมย็กจังหวัดกาลสินอันนี้ก็อยากจะให้หลวงพ่อกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางหลวงปู่มั่นโพริทัตโตในวันที่8กุมภาพันธ์2อ5 8เวลา 19.00 นนนะที่วัดโพธิพุทธคุณ แห่งนี้นะเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ได้เวลาแล้วหลวงพ่อก็จะได้กล่าวเกี่ยวกับแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ได้ท่านจุคุณไทยท่านได้นิมนต์มาเพื่อจะให้แนวความคิดกับพระลูกผ้าหลานตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ที่มาร่วมหรือมาฟังในวันนี้ก็ขอให้ฟังด้วยความตั้งใจการฟังในหลักธรรมคำสอนกว่าสุสังละัตะเตปันยางผูกฝังด้วยดียอมได้ปัญญาเพราะการฟังของพวกเราบางสิง่งบางอย่างเราก็ต้องฟังและต้องนำไปวิเคราะห์นำไปคิด ไม่ใช่ว่าให้เชื่อที่เดียวไม่ใช่ว่าพูดเข้าไปแล้วก็ให้เชื่อที่เดียวหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเองไปพูดทัสถานที่ใดหลวงพ่อพูดจบแล้วหลวงพ่อว่าให้พวกเรานำไปคิดนะไม่ใช่ว่าพวกเราเกิดมาสุดท้ายภายหลังอันนี้คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าขนาดพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสจากพระโอษของพระองค์ พระอ克拉สาวกคือ ท, ท่านพระสารีบุตรพระพุทธองค์บอกว่าดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตตรัสหรือพูดจบลงไปนี้ท่านเชื่อไหมภาษาสารีบุตรยังแบ่งรับแบ่งสู้อย่างก่อนพระเจ้าข่าเพราะข่าพระ อ, อ, องค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข่าพระข่าพระพุทธองค์ จะมากราบถูดเมื่อภายหลังพระเจ้าค่านะอันนี้ก็คือไม่ใช่ว่าพูดให้ฟังแล้วจะจะเชื่อทุกอย่างอันนี้ก็คือเป็นแนวแถวแต่ตามพระจริงภาษาริบุตรเพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรท่านรู้แต่อันนี้คือแนวทางที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยคือแนวทางกุลบุตรสุดท้ายภายหลังเมื่อได้ยินอะไรมา อย่าไปเชื่อทีเดียวขนาดพระพุทธทะกับพร ะ, ะอัครสาวกาท่านตรัสด้วยท่านาพูดให้การฟังท่านก็ยังพูดตรัสอย่างนั้นอันนี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้สำนึกไว้ในใจไม่ใช่ภาษาเลิพุทธไม่เชื่อในพระพุทธเจ้าไม่ใช่ระดับนั้นแล้วนะระดับพระพุทธเจ้าระดับพระอัครสาวกแล้วท่านรู้ อ, อ, อะไรเป็นอะไรแต่ท่านพูดเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าได้ยินเสียงอะไรมา ก, ก็เชื่อทั้งหมด อ, อ, อย่างทุกวันนี้หลวงพ่อได้ยินเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าเรื่องไห น, ไหนออรู้สึกว่าสับสนวุ่นวายออมากมาม า, มากเออพราะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลาน ศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าเมื่อได้ยินอะไรมาก็เปรียบเทียบกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเราได้เรียนรู้ได้ศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่า ล, ลักษณะตัดสินธรรมวินัยแปดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับนางโคตมีที่เป็นภิกษณุณีที่เป็นพระแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าอันนั้นก็ให้พวกเรา ไปอ่านไปศึกษาดูในจุดนั้นคืออะไระเป็นจุดที่พูดออกมาทางด้านจิตใจจริงๆหลวงพ่อว่าน ะ, ะเพราะนั้นวันนี้ก็หลวงพ่อจะได้กล่าวสัมมูทธนิยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้เรียนรู้ในแนวความคิดของหลวงพอ่อเพราะว่าหลวงพ่อเองก็จะได้นำ คำคำสอนของพระพุทธเจ้าในมุมหนึง่งในมุมมองหนึง่งในร 80, 000, 000, พระธรรมแปดหมสพันพระธรรมขานนั้นองค์หนึ่งองค์ในองค์ใดมาแสดงก็ออกมาอีกมุมหนึงต่างคนต่างยกมาให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราเหมือนกันพวกเราทางว่าไม่ได้รับการได้ยินได้ฟังแล้วจะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ก็ไม่มีทางอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องได้ยินได้ฟัง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 ก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสแล้วก็สุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจิตตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข่ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนที่ได้ยินที่ได้ยินไ ด, ได้ฟังมาแล้วนั้นและก็ภาวนามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบ เมื่อจิตใจผ่านความสงบจิตใจเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่ผ่านความสงบนั้นมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลจะตัดสินใจได้โดยเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะว่าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นจิจตมุ่ง ม, มัน่นจิตจุดนั้น เ, เต็มไปด้วยเหตุและผลเพราะนั้นจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะต้องจิตต้องเป็นหนึ่งซะก่อนอพวกเราคิดดูที่เท่าว่าเป็นคนขาดสติ บ้าๆ บ, าบองๆ อ, อ่ะเราจะมาคิดมาพิจารณาเราจะเชื่อถือได้ไหมเลือง เ, เชื่อถือไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะคนนั้นสติไม่สมบูรณ์แต่คนมีสติสมบูรณ์ขึ้นมาพูดขึ้นมาเราก็ฟังได้ยิ่งเป็นมหาสติมหาปัญญาที่ปัญญาที่ปัญญาเป็นหนึ่งแนวความคิดเป็นหนึ่งแล้วนะ่ะนำมาตัดสินใจในเรื่องนั้นๆเรื่องนั้นๆก็จะเป็นเหตุเป็นผลสมบูรณ์ เพราะนั้นเรียว่าภาวนาปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบซะก่อนอันนี้เป็นหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ขอให้พระลูกพระยาหลานพระน้องพระนุ่งทั้งหลายที่ได้ฟังแนวความคิดของหลวงพ่อก็ให้นําไปการกลองไตรตรองอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี้นะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุมมพมมทธัสสะบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังติติ วันนี้นะว่าเป็นวันมงคลมาหามงคลยิ่งที่พวกที่ท่านเจ้าพระคุณที่ท่านได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เป็นการแนะนําสั่งสอนพระสังฆาธิการหรือพระลูกพระหลานทั้งหลายที่เกิดใหม่ใหญ่ที่หลังจะต้องได้รับการแนะนําบอกกล่าวหรือท่านสอนเรื่องพระปฏิโมกหรือว่าแนะแนวเรื่อง พระปฏิโมกเพื่อให้ถูกอักขระในการสวดพระปฏิโมกอันนี้หลวงพ่อก็เห็นด้วยแล้วก็การแนะนำการบอกการตัดเย็บบริขารของตนเองทุกวันนี้มีแต่เราใช้ของตลาดเพราะของตลาดเขาก็พัฒนาเขาก็พัฒนาให้ของน่าใช้ขึ้น ในผ้าจีวรหรือผ้านุ่งของพระผลในสุดพระก็เลยตัดผ้าจีวรไม่เป็นถ้าว่าเขาเกิดจึกสงฆ์คลามขึ้นมาแล้วตายผ้าตัดผ้าผ้าไม่เป็นไม่มีทาญาติที่จะดูแลตัดเย็บผ้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันควรจะให้มีการตัดเย็บสบงทํำยังไงจีวรทำยังไ ง, G ง, ไงผ้าผู้นั่งตัดยังไง ขนาดไหนจึงจะพอเหมาะอันนี้ก็ควรจะสอนกันนะถูกต้องแต่หลวงพ่อเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคณะสถาบติโยมลูกหลานทุกองนะตีนบาดหลวงพ่อก็ทําได้ทลกบาดเย็บเย็บทะลกบาเดเย็เบผ้าปูนั่งเย็บสบงจีวสรสังคาติของใช้พระเนี่ยหลวงพ่อทำได้ทั้งหมดเพอะหลวงพ่อเป็นเนนหลวงปู่ล่ามาก่อนเอวลาเย็บผ้าเนี่ยก็หลวงพ่อก็ขึ้นจากเย็บ แต่ไม่ใช่เย็บจับไฟฟ้านะเจ็บจับไฟฟ้ายังไม่มีสมัยนะั้นมีเตจับเย็บที่ธรรมดา อ, อันนี้หลวงพ่อทำได้แต่สวดปฏิโมกก็เหมือนกันหลวงพ่อก็ทำได้สวดได้น ะ, ะสวดเรียนจบตั้งแต่เป็นสัมมาเนยอายุสิบจปีเรียนปฏิโมกขแต่ที่แรกนะเรียนเท่าไหร่มยากละเกินปฏิโมกพอจับขึ้นมาแล้วมันหาวักหาวายเลยมันไม่สู้ ตอนี้วันหนึ่งหลวงปู่ศีลาอำเภอนาแกเนะี่ยเป็นรุ่นพี่เป็นครูบาเลยเอ้ยเนนอินเนี่ยถ้าท่องปฏิโมกอย่างนี้ไม่มีทางแต่ผมเนี่ยครูบาเนะี่ยท่องสิบเจ็ดสิบเอ็ดวันเออผมหาพระปฏิโมกไปได้ครูบาในทะ่องสิบเอ็ดวันจอบเออท่านหัวดีจริงๆนะเอย่ยอมรับรท่านะโอ้ขนาดแล้วครูบาเอ้ยถ้าท่องอย่างเจ้าไม่มีทาง เราก็มีมา n นะขึ้นมาทันทีเราก็เป็นคนเหมือนกันจะไม่จบได้เลยเอาจะท่องวันละหกแถวเอาวันละหกแถวถ้าแถวสั้นก็หกแถวแถวยาวก็หกแถวอพอรึบจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้ต่ำกว่าหกแถวแต่ละวันแต่ท่องตั้งแต่เข้าพรรษาเลยละ่ะตั้งจิตอธิษฐานเลยละ อายุสิบเจ็ดปีนัขาวนั้นน่ะเนยได้รับมานะคือหลวงปู่ศิลาบอกไอ้พระกูบาบอกกูบาศิลาถึงเป็นเราเป็นเนนจากนั้นเราก็ออกพ่อเข้าพรรษาแล้วก็เอาเลยแหละท่นี่ทองปฏิโมกอ์ผลที่สุดเดือนหนึ่งกับสิบห้าวันเดือนครึ่งอ่ะปฏิโมกหลวงพ่อนี่จบเลยโอ้ทองได้คล่องเลยท่าน เทียนเราก็ขึ้นเป็นท่องถวายองหลวงปู่ล่าอีกหลวงปู่วัดปู่ล่าเท่ยง เ, เก่งนะนึ่ปฏิโมกสมัยนั้นภาระธุระก็ไม่มีอะไรแต่ละวันมีแต่เดินนโยมนั่งภาวะนาไม่มีใครไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วในวัดปูจก้เนีก็ท่องให้หลวงปูล่ลาฟางงังกงเออเอาใช้ได้ใช้ได้ไอพอต่อมาแล้วก็พอครบครบพระนะอพอครบพระแล้วก็มาลงอุโบสถที่วัดหลวงปู่มหาบุญมี ที่ท่านมราณาภาพที่วังเลงเนี่ยหลวงปูป่มหาพุนมีเนี่ยอายุแก่พรรษากว่าหลวงตามหาบัวนะท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่ปั้นเหล่าโคกกลางอำเภอสมัยนะั้นอำเภอคำาชอีแต่ทกวันนี้เป็นอำเภอน้องสูงแล้วก็มีพระอยู่ด้วยท่านสามองค์หลวงปูล่ลาก็พอบวชพระปีเสร็จแล้วนะเขาท่านคนที่มนต์ หลวงพ่อหลวงปู่หลาจะไปอุโบสถที่วัดหลวงปู่บุญมีทุกวันพระสิบห้าค่ำสิบสี่สิบห้าคำทุกวันพระอุโบสถท่านก็ได้นำหลวงพ่อลงไปบวชใหม่ๆมาดมานะพอไปถึงท่านก็ว่าเอาท่านอินสวดปฏิโมกข์พอว่าปักแรกเลยล่ะบวชเสร็จกับสวดเลยพอเสร็จแล้วก็เพราเราก็ได้เรียนได้ศึกษาจากหลวงปู่หลาอยู่แล้วใช่ไเราก็สวดได้เลย ทั้งหลวงปู่มหาบุญมีแสดงว่าโอ้ใช่ได้่การสวดปฏิโมกขานี่ใช่ได้เออล้วก็ปวดปีครั้งแรกก็สวดได้เลยปฏิโมกพอต่อมาก็สวดมาเรื่อยเรื่อยเรื่ อ, อพอออกมาก็ไปมาอยู่ที่ห้วยสายอยู่กับหลวงอาญาาถ้ามีพระมาครอบก็สวดพอได้สวดก็ออกจากหลวงอาญามก็มาวัดหลวงปู่หลวงปู่ฟั่นที่ วัดป่ารมสมพรท่านไม่มีพระปฏิโมกหลวงพว่อก็สวดในที่นั่นอีกก็ไม่มีใครตำนิติติง่าสวดโอส้สวดปฏิโมกเก่งใช้ได้เร็วพอมาเขาไปสวดที่ถ้ากองเพนหลวงปู่ขาวอีกแล้วก็สวดหลายแห่งที่ไปแล้วไม่มีพระสวดปฏิโมกต่นี้พอเข้าไปบ้านตาดพอไปเข้าไปบ้านตาด หลวงตามหาบวชท่านเข้มงวดโกรธขานมากเรื่องพระปฏิโมกเนี่ยถ้าท่านา น, นั้นไม่ได้นะปฏิโมกจะต้องอสวดให้ถูกอักครับ เ, เพราะว่าท่านเป็นมหาอีกต่างหากเนี่ยท่านความจําของท่านก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันจําดีมากหลวงตาก็มีพระปฏิโมกสวดอยู่องค์หนึ่งแต่ข่าวนั้นองค์นั้นก็ท่านก็เป็นวัดเลยนะเป็นวัดท่านก็เออพระในวัดของเราเนี่ย ม, มีองค์อื่นเหรอมีองค์เดียวตอนนี้เหรอสวดปฏิมโมกเนี่ย้างวัดวงนี้เจ็บใครได้ป่วยแล้วไม่สบายเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยทำไมพวกท่านทั้งหลายไม่คิดกันบะฮะแต่ในพวกหมู่เพื่อนก็มาบอกหลวงพ่อแลยเไยๆกูว่าแหมกูบ้าต้องขึ้นปฏิมโมกข์นักขาวหน้าเนี่ยโอ้ยขึ้นได้ยังไงดูๆแล้วมันคนและมวยขนและชั้นกันเลยเนี่ยนะฟังๆดูแล้วเนี่ยเรามันแบบมวยลัว อวยเลี้ยงควายนี่ยออันนี้มันไม่ใช่นะ ม, นมันมันลักษณะที่หลงตาให้สวนมันเป็นแชมป์นะที่เอี่ยราไม่ได้หรอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องขึ้นดิล่ะเพราะหลวงพ่อพูดอย่างนั้นแล้วหลวงตาพูดอย่างนั้นแล้วทั้งหมูทั้งหลายขยันข ย, ขยอยก็เลยเฉลิ่ยที่หลงตาเท่นี่ขอการครับท่านอินจะขึ้นปฏิโมกเออหลงตาก็ให้ขึ้นเออจากนั้นหลวงพ่อก็ขึ้นล่ะ พอขึ้นสวดปฏิโมกข์โอ้ลัวเลยแล้วะเงินพอลัวเสร็จแล้วลงตากระทักทักไปทักมาแต่เราก็เตรียมพร้อมแบบเแปลว่าทักไม่หยุดไม่ให้ผิดพลาดเลยนะไม่อยู่ไม่อยู่เลยนอพอทักครั้งที่ข้าถึงท่านก็เออมันก็ฟังฟังคล้ายๆวอนฟังให้ให้รู้จักลายมวยลายมวยเอาไว้ว่างั้นทันก็ไม่ได้ทักมากนะพอครั้งที่สองเนี่ยพระก็เออ เปลี่ยนกันครั้งที่สมแล้วก็เล่าขึ้นอีกพอขึ้นไปทางนี้อ๋อท่านเตียงพร้อมเลยนะท่านเตรียมมีดไปแล้วเหมือนกันนะจากท่านท่มมานก็ยำเมายเมาสวดตั้งแต่ตีต5ห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้ายังไม่จบปฏิโมกวันนั้นหลวงพ่อยังจำไม่ลืมปพื่อ่งเดี๋ยวนี้แล้วเหมือนกันนะอพอทักไปก็ตักพอเร เออพอเราฉวดเร็วเนี่ยพอพอเส ร, ร็จมันมันก็นสระอ้ออ้อเนี่ยอีอูอูเนีเอโอเนีเออมันมันเรามันรัวมันเสียงสั้นไปหมดเลยมันต้องท่านบอกอออี e, o, อูโอโอ่ตรงคอเพกเอ่ขึ้นจมูกนอะนอเน้นเออมันจะพูดนะได้ยังไงรอ ไม่ใช่ล้อเล่งร้องเออเนี่ยท่านทักโอ้วันนั้นจนเป็นบุญเป็นบุญข้าวฉากวันนั้คนคนมาล้อมสลาบทแล้วเขาจะใส่บาตรนะเรายังสวดปฏิโมกไม่จบโต๊ะต๊ะต๊ะต๊หลวงพ่อเห็นแล้วโธ่คงไม่มีวาสนาว่ะเรื่องเรื่องปฏิโมกที่วัดป่าบ้านตาดเนี่ยคงไม่เอาอีกแล้วโต๊ะตายเกือบไม่รอด ถ้าเราไม่ซ้อมมาดีเนี่ยตายไล่ลงธรรมนแน่ๆข่าวนี่แต่นี่เราก็คิดว่าซ้อมมาอย่างดีแล้วนะแต่ติดไม่อยู่อท่านเมแปลว่าเทาติดแล้วไหลไปอีกพอติดแ้่ก็แก้แล้วไหลอีกแต่ขนาดนั้นก็เกือบสามชั่วโมงนะโอ่ะพอในสู่อะไรไม่ขึ้นพอไม่ขึ้นปลักปักต่อไปองค์อื่นขึ้นพอปลักต่อไปไม่ขึ้นอีกหลวงตาซอนนะ ทำอินมันทำไมไม่ขึ้นสวดปฏิโมกขอทำไมไม่ฝึกต้องฝึกนะะแต่ปฏิโมกไม่ฝึกได้ยังไงมันต้องฝึกอนะเราก็เฉยไม่มีวาสนหาหรอวะคิดในใจนะพอขึ้นมาอีกคราวหน้าอีกท่านถามแราเอาแรงเลยท่านทําอินมันไม่ขึ้นเหรอสวดปฏิโมกมันของหยาบๆนะ กิเลสภายในใจเนะ่ะมันยิ่งละเอียดกว่านี้มองไม่เห็นนะอันนี้หูกับปากของท่านท่านไม่ได้ยินเหรอหูกับปากนะมันไมไ่ไกลกันเลยท่านพูดถิดท่านพูดผิดท่านพูดถูกท่านไม่รู้เหรอทำไมไม่ฝึกฝึกเพียงแค่นี้ไม่ได้ฮะโ อ, โอ้พอได้ยินมัดนี้เท่านั้นหละหลวงพ่อจบได้เท่านี่โอ้ไม่ได้ไปรรพัดวาต้องเอาใหม่ จากนั้นหลวงพ่อท่องอย่างขนานหนักเลยท่านเนียจุดประสงค์ของท่านคืออะไรจุดประสงค์ของท่านก็บอกว่าขึ้นใหม่หจะไปยาไปสวดเร็วขึ้นให้เป็นธรานองซะก่อนอุโปโสธะการณาะโตปุเบนววิถังปุบากิต จ, จังกาตะบังโหติตันขานะส ม, มัชนันจัตถะปดีปุชละนันจาคือพูดให้เป็นจังหวะนี แต่พอเลยสังขารที่เสดไปแล้วเนี่ย เ, เลยเข้าขั้นนิจคีปราริจตีนะเร่งเลยท่านเลยเร่งเครื่องเลยเอท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่ไม่จะปุบปับขึ้นปขี่ม้าในทะ่อตะบึงเลยนะไม่ได้เอไม่มีจังหวะจากโคนนะเนี่ยวนนั้นสวดปฏิโมกขะองค์หลวงตาหลวงพ่อผสวดครั้งที่สาท่านไม่ไม่ทักเลยเพราะเรารู้จักทํานองเอต่อมาก็หลวงพ่อไปองสวดประจํา อยู่หลายปีทีเดียวเลยอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะนี่แหละอันนี้คือพูดให้ลูกให้หลานได้ฟังเพื่อเป็นการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพราะว่าการสวดพระปฏิมโมกเนี่ยที่หลวงพ่อได้เจอได้พบมาในการสวดปฏิมโมกกับองค์หลวงตาท่านพิถีพิถันจริงๆท่านไม่ได้ฟังแล้วก็เ อ, เอาหูไปนาเอาตาไปไร่แล้วก็จบจบไปไม่ใช่น ะ, ะถ้าไม่ถูกอักคราในท่าน ทักท้วงจริงๆอันนี้ก็คือแนวหนึ่งเพ mm hmm. ราะฉะนั้นหลวงพ่อได้ยินพระสังฆาธิการการรศิน์ของพวกเราได้ยินว่ามีการทบทวนเรื่องปฏิโม mm hmm. กข์หลวงพ่อก็เลยเ ล, เ, เล่าเรื่องราวปฏิโมกให้กับพระลูกพระหลานได้ฟังได้ศึกษานะ mm ่ะ hmm. อันนี้ก็คือเรื่องศีลเรื่องศีลศีลและวินัย ยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นศีลและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วเป็นอันว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้ก็ด้วยหลักพระธรรมวินยัยเพราะฉะนั้นอย่างหลวงพ่อได้ยินผู้ที่จัก ตัดรอนธรวินัยออกไปให้เหลืออยู่ร้อยห้าสิบอ้อันนี้ทางนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่พุทธวจนะเอ้ยหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อเอ้ยทำไมคิดได้ยางไงเอ้ยไม่น่าจะคิดอย่างนั้นพระลูกพระหลานพระน้องพระนุ่งตามไม่จริงน่าจะคงไว้เออถ้าจํานวนที่ตัดออกนั้นน่ะไม่มีเหตุไม่มีผลใช่ไหมเอ้ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุเป็นผลเรื่องกิริยามารยาททั้งนั้น ในครั้งพระพุทธเจ้าก็จิงที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสว่าอาบัตเล็กน้อยของพวกเธอท่านทั้งหลายที่อาบัตจุ๋มยิมพวกท่านประชุมกันแล้วจะถอดถอนก็นได้นะอันนี้คือพระพุทธเจ้าสั่งกับพระอนุ์แต่พระอนุ์ก็ไม่ได้ถามว่าอาบัตจุ๋มยิมอาบัตเล็กน้อยนั้นคือกลุ่มไหนพระเจ้าข่าพระอนุ์ก็ยังอยู่ในตก จกอยู่ในช่วงที่ว้าเหวอ้างว้าเงียบเหงาซึมเศร้าที่พระพุทธองค์จับปรินียนผ่านปานนก็ไม่ได้กลาบทูลถามปานนก็ยอมรับว่าไม่ได้ถามพระพุทธเจ้าในจุดนั้นแต่ที้มาช่วงล่างๆพระมหากัสปะเถระท่านก็บอกว่าในเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็เอาใครพระสงฆ์ทั้ง500อองค์ อ, องค์ไหนบ้าง ที่จะว่าเห็นว่าสมควรที่จะถอดถอนที่ตรงไหนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสบอกสั่งพระอนนล์อย่างนี้แล้วแต่ในพระสงฆ์ก็กัดจัดกันเป็นกลุ่มก็บอกว่าอภิธมาจารย์เอาออกทั้งหมดเสกียวัตรเอาออกทั้งหมดผลที่สุดก็เลยพระอราหันทั้งห้าองค์ที่สังคลายนาที่ถ้าสัตตวรรณคูหาครั้งแรกเออพระ เป็นพระ อ, ร, อรหรันต์ที่คัดสรนคัดเลือกคัดเลือกเข้ามาก็ไม่มีองค์ไหนทั้งที่จะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันทั้งที่จะเป็นเอกฉันพูดคำไหนต้องคำนั้นแต่อันนี้ไม่ใช่เพราะว่าแต่ละองค์แต่ละกลุ่มบางองค์ก็มาจากชาวนาบางองค์จะมาจากชาวตลาดบางองค์ก็มาจากขราชการบางองค์ก็มาจากกษัตริย์เพราะนั้น วิถีทางวิถีแนวชีวิตของแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันแต่เสกิยวัตรพวกเราดูสิเสกิยวัตรเนี่ยท่านเรามาพิจารณาดูแล้วขนาดเราเป็นชาวไร่ชาวนาอย่างหลวงพ่อเนี่ยแหละหลวงพ่อว่าเป็น ม, มลร า, าติของกษัตริย์เสกิยวัตรเราจะไม่ฉันดัง <c oughs> เราจะไม่ฉันดังจับๆเราจะไม่ฉันดังสูดๆเราจะไม่สันเหลี่ยมมือเราจะไม่สันเลียริมฝีปา เราจะไม่ฉันทางทำกับพุ้งแก้มให้ตุยเราจะไม่ฉันพลางสะบัดมือพลางเมื่อข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดเราจะไม่ฉันแลบลิ้นมีมากอยู่ในศิกขาบทในเสกีวัตรสรุปแล้วก็คือเป็นมารยาทของคนผู้ดีสมบัติผู้ดีเ อ, อแต่ถ้าว่าชาวไร่ชาวนาอย่างพวกเราเอ้ยจะไปกินจีบปากจีบคอทําไมจับยัดเข้าไปนะัไนไมนจะอิม่มกินเข้าไปเลยเ อ, อ, อันนี้ก็คือพวก อพวกเอชาวไร่ชาวนาหรือว่าพวกอื่นแต่เป็นข้าราชการแล้วเป็นผู้มีมารยาทที่ดีท่านต้องมีลักษณะอย่างนั้นเน่อันนี้เมื่อเราเข้าสู่ชุมชนสังคมแล้วอันไหนดีกว่ากันเนี่ยที่พระที่มีมารยาทอย่างนั้นกับพระที่ไม่มีมารยาทอันไหนดีกว่ากันมันก็ต้องยอมรับว่าศินที่พระพุทธเจ้า ว, วางเอาไว้เให้สํารวมระวังให้มีมารยาท อันนั้นจะดีกว่าเพื่อเมื่อเข้าเราสู่เข้าไปสู่ชุมชนและสังคมนะอันนี้แหละอันนี้คือพระสงฆ์ในครั้งนั้นที่เป็นพระอรหันต์ผู้แตกฉานในอัในธรรมทั้งห้าร้อองค์ไม่เป็นเอกฉันนะในการ ว, วิวิเคราะห์ในหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระมหากัตปะทันก็ประมวลสรุปทที่ท่านเป็นประธานสง์ เ, เมื่อพวกเราทันทั้งหลายความคิดเห็นไม่เอกฉันต่างคนก็ต่างว่าควรจะถอดอภิสมาจารย์ควรจะสอดเสกียวัตรควรจะถอดปฏิเทศนิยะจนถึงอาบัตหลาหลายอย่างถ้าหากว่าเราไปถอนก็คงจะรุ่มรุ่ ม, มดอนดอนจงจะไม่สม่ำเสมอเพราะนั้นผมขอเสนอในที่ประชุมว่าคงไว้ทั้งหมดดีไหม คงไว้ทั้งหมดไม่ถอดถอนเพราะยังไงพระพุทธเจ้าก็บัญญัติให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีมาแล้วแต่พวกเราจะมาถอนเราก็กลัวจะไม่สม่ำเสมอลุ่มรุ่ ม, ม, มดอนด อ, อเราคงคงไว้ทั้งหมดดีไหมพระสงฆ์ท้งหลายก็อนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุเห็นด้วยไม่ควรจะถอนออนี่แหละความเป็นมาหลักธรรมิน อันนีถ้ถ้าจะว่าไปเป็นพุทธวจนะไหมกอคงจะไม่ใช่เพราะเป็นพุท ธ, ทธไม่ใช่สาวกวจนะคือเป็นความพูดของพระสาวกที่ประชุมกันอันนี้ก็เลียนให้พวกคณะพระลูกพระหลานได้รับรู้รับทราบนะหลวงพ่อเองหลวงพ่อไม่เห็นด้วยนะที่จะตัดกรน ถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นจะหนักหนาที่ตรงไหนอยู่ในพระไตรปิฎกพุทธ ว, วจะนะหรือไม่วจะ น, นะก็เถอะนะอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นวิไัยอันไหนเป็นมารยาทที่ดีก็ควรจะปฏิบัติตามนั้นอยากพวกวันนี้ก็เหมือนกันนะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายมาถึงยุคนี้สมัยนี้สมัยนู้นยังไม่มีสมัยนี้มันมีมีเครื่องบินมีรถยนต์มีรถไฟ มีรถมอเตอร์ไซค์มีจักรยานแต่ถ้าว่าพวกเราขี่มอเตอร์ไซค์ขับรถจนอย่างนี้แต่ถ้าว่าเป็นในครั้งพระพระทุทธเจ้าหลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะบัญญัติขี้ในแต่มาถึงยุคนี้ก็เถอะแต่ถ้าพระไปทําอย่างนั้นเข้าไปก็ไม่ไม่น่าจะถูกต้องทางพระผูกเกี่ยวข้องทั้งหลายที่ฝ่ายปกครองกบบัญญัติว่าเออกฎ กติกาอย่างนี้ไม่ควรจะทําพอมันผิดกฎหมายบัณฑเมืองเขาอีกถ้ารถไปเสี่ยวไปชนคนเดี๋ยวเขาจับเข้าไปก็ไปขังคุก ข, งขังตารางอีกอมันผิดกฎหมายเขาพราดไปทําอย่างนั้นไม่น่าจะทูกสิ่งเหล่านี้ถ้าวันในครั้งพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลพระองค์ก็คงจะบัญญัติวี่ไหนแต่มาถึงยุคของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงก็มีกฎกติกากันห้ามห้ามกันที่ สิ่งไหนควรสิ่งไหนไม่ควร เ, เพราะนั้นขอให้พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายหูของเรามีสองข้างตาของเรามีสองข้างได้ยินได้เห็นสิ่งไหนมาก็ตามให้วิเคราะห์คิดดูให้ดีแล้วยังค่อยเชื่อในเรื่องนั้นๆแล้วให้ถามถ่ายแล้วก็ให้ดูกระจกเงาคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเอาไว้ นี่แหละหลวงพ่ออยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานพะลูกพะหลานทั้งหลายให้หนักแน่นใหนหลักธรรมคาสอนอย่างหลวงปู่มั่นของพวกเราก็เหมือนกันหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าท่านสอนลูกศิษย์ท่านบอกว่าอขอนไม้ใหญ่ที่มันจะเข้าตาของเราไม่มีหรอกมีแต่ผุนละอองผุนละอองเล็กๆเนี่ยละมันเข้าตาของเราพอมันเข้าตาของเราตาของเราก็ฟ้าฟาง มองไม่เห็นสัจธรรมคือของจริงเพราะนั้นอาบัตเล็กๆน้อยๆพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความเอเคยชินเอหรือว่าล่วงละเมิดในอาวัตเล็กน้อยให้สัมรวมให้ระวังอันนั้นคือศินและวินยัยในเมื่อเรา ล, ลาบละล่วงไม่มีศินวินัยอยู่ในตัวของเราจิตใจของเราก็เศร้าหมองจิตใจของเราไม่ผ่องใสจะมองไม่เห็นสัจธรรมคือ อเ น, นจังทุกขังอนัตตาเห็นทางพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไปได้เพราะเหตุไเพราะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะมันปิดบังอันนี้คือคําพูดของหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนสิทธิาณุสิทธิ์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดเอาไว้อีกเหมือนกัน น, นี่แหละแต่สมัยหลวงพ่อเป็นสมณี หลวงปูล่ลาท่านก็สมัยนั้นมีแต่นวโกวาตแล้วก็พินัยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามจากนั้นก็เอาท่านกระดูเรื่องบุปภสิขาอุปสิกข า, นะกาจากนั้นก็มหาคันมหาขันเป็นเล่มใหญ่ๆเก่าๆนะหลวงพ่อเคยเห็นเป็นเล่มเก่าๆหนานะเป็นหนังสือเล่มเดียวแต่พูดเรื่องเกี่ยวกับอภิสมาจารย์หนังสือในมหาคันละเอียดทีท่วนเยิบ แต่ต่อมาเขาก็มาพิมพ์เป็นวินัยมุกเล่ม1ึงเล่มสองเป็นแต่ก็ไม่มากน้อยมากแต่ถ้าว่าไปถึงในมหาขันตันนั้นที่หลวงพ่อเคยได้อ่านได้ศึกษารู้สึกว่าทีมากอันนี้ก็คือเกี่ยวกับวินัยที่หลวงพ่อโพดให้มาทั้งหลายทั้งหมวปวงเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระวินัยคือกฎระเบียบ การอยู่ด้วยกันเราจะมองข้ามจุดนี้ไม่ได้สินและวินัยยังมีหยุดตราใรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเพราะนั้นการอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีศิลไม่มีวินยัยอยู่ด้วยกันแล้วถ้าพระไม่มีศินไม่มีวินัยแล้วเป็นพระอรชิตาเป็นผู้ไม่มีอย่างอายไม่มีฮิริอตปะพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันแล้วจะเป็นยังไงพุทธศาสนาจะจูได้นานสักเท่าไหร่ นั้นสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงทำและวินัยนั่นแหละที่พวกเราจะยึดเป็นแนวแถวแนวทางสําหรับให้พวกเราอยู่ด้วยกันแล้วให้ พ, พุทธศาสนาจะยั่งยืนต่อไปนานเท่านานแล้วก็เรื่องหลักธรรมคาสอนที่ท่านให้หัวข้อว่าให้อยากจะให้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับแนวปฏิปาทาคือว่าหลักธรรม ของหลวงปู่มั่นที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็เคยได้พูดย้ำหลายครั้งหลายครั้งตอหลายหนเหมือนกันในหลักธรรมที่ท่านปฏิบัติแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเองจะมาพูดดุยถึงหลวงปู่มั่นทีเดียวบางทีบางท่านบางคนก็อาจจะสงสัยว่าในหลักธรรมมันเข้ากันได้ไหมกับหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสอน เข้ากันได้ไหมเรีอกว่าเอาหลวงปู่มั่นแหวกแนวอสอนออกไปแหวกนอกกฎกติกาไม่ไม่เข้ากันไม่ได้กับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก่อนที่จะพูดถึงถึหงหลวงปู่มั่นที่ไร ห, หลวงพ่อก็ต้องยกประเด็นถึงไม่มากถึงไม่น้อยไม่ไม่มากก่็น้อยอยกให้มาเป็นบรรทัด ฐ, ฐาน เริมมัดยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นกระจกเงาสําหรับเป็นที่เป็นเครื่องเปรียบเทียบกับหลักธรรมคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราปฏิบัติในเมื่อพวกเราได้ฟังทั้งสองเงื่อนพวกเราก็จะเปรียบเทียบกันได้เออหลวงปู่มั่นของเราเถึงจะไม่ได้ปฏิบัติตามแนวแถวของพระพุทธเจ้า ร้อยเปอร์เซนต์แต่ถึงยังไงก็ยังไปตามแนวแถวของพุท ธ, ธ ะ, เ, ะเพราะว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าถ้าพวกเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็กรรมฐาน40ไม่ใช่เพียง40นสะินมากกว่ากรรมฐาน40ที่พระอราหันต์ได้สำเร็จเป็นพระอราหันต์แต่ละองค์อย่างนางอ ะ, อะไร ที่เป็นภิกษุณีที่บวชเข้ามานะ่ะท่านก็ไปยืนดูในที่สักการะที่จุดเทียนบูชาท่านก็เห็นยอดเห็นเทียนกระพริบกระพริบกระพริบกระพริบพอเห็นเทียนกระพริบเท่านั้นท่านก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็เห็นดูจิตใจของท่านเองใจของท่านมันกระพริบจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีหลายท่าน ที่เห็นฟองน้ำก็ได้สำเร็จเป็นพระหรหันดีเยบเทียบเข้ามาทางสู่จิตใจของท่านเพรานะฉะนั้นอันนี้ก็คือกรรมฐานของพุท ธ, ธานะแล้วจะพูดเรื่องศีล อ, อีกเหมือนกันศีลในครั้งพุทธเจ้าพระพระองค์ก็บอกว่าศีลมี e อันเดียวมีอยู่อันเดียวมันไม่มากแต่ท่านทุกๆวันนี้ว่าศีลต้องมิดร้ อ, รอย ร้อยห้าสิบหรือว่าสองร้อยี่สิบเจ็ดเแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าศีลถ้าจะรักษาจริงๆมีศีลดีเอคือรักษาใจนี่อันนี้เกิดในครั้งพทุทธเจ้าก็มีที่บวดเข้ามาแล้วก็พระอาจารย์สอนเรื่องศีลและวินยัยจนพระองค์นั้นเออไม่รู้จะจะยึดอะไรเพราะว่าเห็นศีลสองรอยี่สิบเจ็ดมากเกินไปศีลพิจม า, จายา์อีกต่างหาก พศกไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเ จ, าจา้าบอกว่าเธอรักษาสิลเธอรักษาอันเดียวได้ไหมได้พระเจ้าค่ะถ้าสักรักษาอันเดียวถึงจะยากขนาดไหนข้าบอก็จะรักษาได้ให้รักษาใจนะเนี่สิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดถ้ามันคิดนั่นแหะมันผิดทิ่ไหนเพราะฉนั้นอย่าคิดในถูกใจตัวเองนะให้มีอารมณ์เน่งดูให้มีสติสัมปชัญญะในตัวเองนะ รักษาใจตะรันพอดคาบผมนี่แหละเพราะพุทธเจ้าฉลาดขนาดท่านนะท่านไม่ให้รักษาอย่างอื่นคือรักษาต้นต่อเขอ้ามาเลย เ, เรื่องทั้งหลายทั้งปวงก่อนจะผิดไปผิดวินัยผิดศีลกายวาจาที่มันจะผิดศีลนั้นมันออกมาจากใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นะพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาใจอย่างเดียว น, ะนี่ยนะถ้าจะว่าไปเลยศีลของพระพุทธเจ้าไม่มากนะศีลอันเดียวคือรักษาใจแต่รักษาอย่างไรนะ พวกเราเออลักษาใจนะทำมัรักษาใจได้มันก็ดีเนี่ยแต่มันรักษาใจไม่ได้สิมันละเมิดมันล่วงละเมิดในสินเพราะฉะนั้นจึงมีศิลหลายๆข้ อ, อ, อให้เป็นตัวอย่างอันนี้ก็คือเรื่องของสินหลวงพ่อยกวกมาเรื่องของศินแต่เรื่องของธรรมแต่หลวงพ่อก็บอกว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเ จ, จ้าถ้าเราเนึกย้อนรู ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในพุทธประวัติในวันเดือนหกเพนนน่ะตอนหัวค่ำพระองค์ทำยังไงท่านนั่งขัดสมาธินั่งนายโสธิยานำยายาคามาตมอบให้จากนั้นท่านก็หาทำเลมุมทางทิศตะวันออกของต้นโพจากนั้นท่านก็ประสาน ยาขาหัวจับหัวสลับหัวสลับท้ายอย่างละสี่กรรมสี่กรรมมือเพราะยายายาคาแปดกรรมมือจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นชิตถะก็ขึ้นไปนั่งเป็นอาสนะคือยาขาพระองค์ก็หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันพระพักไปทางทิศตะวันออกในช่วงนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินพระอาทิตย์ยังส่องแสงสว่างอยู่จากนั้นพระองค์ก็นั่งหันหันพระพักไปทางทิศตะวันออก ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้าก ำ, นกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรัว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นจากนั้นพระไถ่ใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจากนั้นเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาแยวบาปุเพนิวาสานุสติญาณ อันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนั้นพอถึงเที่ยงคืนท่านก็ได้ตัดรู้อีกว่าจุตูปปตาตญาณพอจวนสว่าะพระองค์ก็ได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ ว, ว่าอาสาวะคยายะญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์หมดจดจากกิเลสกิเลสในพระไทยของพระองค์คือราคะโทสะโมหะ พระ อ, องค์กําจัดออกไปหมดแล้วจิตใจบริสุทธิ์แล้วท่านจึงประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วในเมื่อพระ อ, องค์ไม่มาเกิดความตายจะเป็นมาจะมาได้อย่างไรเมื่อพระ อ, องค์ไม่เกิดท่านจึงประกาศว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรามังศูนอย่างนิพพานศูนย์คำว่าศูนย์คำนี้พวกเรากขว่าศูนย์ปราาแต่ตามไม่จริงศูนยเชื้อนะ เชื้อที่จะทําให้เกิดนะ่พะพระองค์พระพุทธองค์ได้กําจัดออกแล้วเหมือนกับมเมล็ดมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวเปลือกทํำยังไงมันจะ ง, งอกเงยขึ้นมาอีกเพราะมันมีเปลือกแล้วมันมีตามันมีเชือ้อแต่เราก็เทเปลือกออกแล้วก็มาคัดแล้วก็มันนึ่งแล้วตอ น, นี้เอาไปตากแดดเอาไปปลูกเถอะประเทศไหนเอาไปโลกจักรวาลไหนเอาไปปลูกเถอะปลูกข้าวสาร ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะมันหมดเชื่อแล้วนะอันนี้แหละความหมดเชื้อตัว น, นั้นแหะใจของพระ อ, องค์จึงหมดเชื่อแล้วเชื้อที่จะทําให้เกิดไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นความตายจึงไม่มีเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ได้ตัดรู้พระ อ, อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวันเดือนหเพนธันตัดท่านพูดอย่างนี้แต่ท่นนี้มามาพูดถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราเนี่ย ท่านได้ศึกษามาจากใครองค์ไหนอันนี้ท่านไม่ได้เขียนเอาไว้แต่ท่านก็ต้องมีมีครูบาอาจารย์ของท่านที่สืบทอดมาแต่พอมาถึงหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นมีมหามีวิทยากรมีมหาได้เรียนรู้ท่านก็ได้มาเขียนอย่ากผุดโสเสงได้เขียนเลขครูบาอาจารย์เข้าไปท่านก็ได้เขียนแนวความคิดของหลวงปู่มั่นจากนั้นหลวงตามหาบัวที่ท่านได้เป็นมหาที่อยู่กับหลวงปู่มั่น ท่านเขมาเขียนเป็นประวัติของหลวงปู่มั่นหรือปฏิปทาพระกุธพระธุดงค์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่นอันนี้ก็คือองค์หลวงตาที่ท่านได้รับเรียนรู้ท่านได้เป็นมหาท่า น, นรู้จักเรียงคําพูดให้เป็นลูกเล่มตามแนวแถวที่องค์หลวงปู่มั่นแนะนําสั่งสอนอย่างไรอันนี้คือเลยกมีตาําราแต่ก่อนหน้านี้หลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสา ท่านไปเรียนไปศึกษามาจากไทยท่านต้องมีครูบาอาจารย์ของท่านอันนี้เราไม่ได้เกิดในยุคสมัยนั้นนะแต่อย่างในพตามนะถ้าเราหลวงพ่อเองก็ไม่ได้เกิดในยุคสมัยขององค์หลวงปู่มั่นมายุคมาเกิดในยุคของหลวงตามาเกิดมายุคหลวงตาหลวงตาแนะนําสั่งสอนอย่างไรกับพวกลูกศิษย์ท่านก็แนะนําเอาทำคําสอนของหลวงปู่มั่น มาบอกกล่าวมาแนะนำมาบอกกล่าวนะับแนะนาพวกเราแต่ถึงแนะนำยังไงก็เถอะนะแต่พวกเราจะได้จำได้ทุกบดทุกบาทได้ทุกคำพูดจากองค์หลวงตาอันนั้นก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราพระของเราในยุคนี้สมัยนี้อันนี้คือพุทธวจนะนะก็เหมือนกับเราเนี่ยได้ไปเกิดในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นเจ้ากี่เจ้าการเป็นเจ้ายศเจ้าอยาก หลวงพ่อเขาบอกไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันนั่นแหละให้พวกเราฟังัๆเอาไว้นะขณะนะสาาัตยาติรมูกหลานน่ะเพรานะว่าเรื่องนี้นะ่ะหลวงพ่อวาดมันคล้ายๆกับต่างคนต่างตัดต่างคนต่างรอนพระพุทธศรรา ส, ส, สนาของเรานะจะมีปัญหานะถ้าว่าเราไม่ช่วยกันคิดในจุดนี้นะแต่ในหลวงปู่หลวงปู่เสาก็หลงปู่ปปมั่นที่ท่านสอนแนะนําสั่งสอนลูกศิษย์ มีหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่กงมาหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่มาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามที่หลวงพ่อได้เกี่ยวข้องรู้จักมักคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มากมายแต่ถึงยังไงท่านก็ยกให้ว่าหลวงปู่มั่นคือพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์หมดจดจากกิเลสจากนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นมรณภาพอัธิธฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุ อย่างที่วัดสุทธาวาสอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็หลายหลายคนกนระดูกเป็นอัฐิธาตุของท่านได้กลายเป็นพระธาตุเป็นเม็ดสีดอกพิกุลอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่บางท่านบางคนเขาก็บอกว่าไม่เชื่อไม่น่าเป็นไปได้อุปโลกกันพูดกันขึ้นมาแต่ตามไม่จริงคํานั้นเราก็ไม่ได้ว่ากันเพราะอะไรเพราะเขาไม่เชื่อเราจะบังคับให้เขาเชื่อก็ไม่ได้ แต่พวกเราเก็บมากับมือของเราเน่ยเราได้ออกมาแล้วก็มาเก็บไว้ในพระอบจากนั้นได้กลายเป็นพระธาตุให้เราได้เห็นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อใครไ ม, ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ข้าพระเจ้าในเชื่ออย่างหลวงพ่อในเชื่อนะคณะทายาทโจมพระเนร น, น้องหนุ่งทั้งหลายเพราหลวงพ่อได้เก็บวัติธาติของคุณแม่ชีแก้วนะพอต่อมาแต่ไม่ใช่เป็นทุกชิ้นนะเป็นใครเขาว่าเราเก็บมาไว้ตัวมา้ทําไม เราเก็บมาก็มีแต่กระดูกแต่ทำไมมันเป็นทาไมเป็นแก้วขึ้นมาน อ, อ้อแแบบคนนังอกชั้นของผมก็เป็นแก้วคนนั้นก็เป็นแก้วมาดูใส่การโอ้เป็นแก้วเหมือนกันวะเออนี่แหละอันนี้ก็คือแนวที่เราได้รู้ได้เห็นมีประสบการณ์กับตนเองถึงใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนออแต่ว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าพระพ่อแม่คูบาอาจารย์ของพวกเรา ท่านปฏิบัติีปฏิบัติชอบกรู้เืออัฐิของท่านของท่านกลายเป็นได้กลายเป็นพระธาตุแต่ไม่ใช่ทุกชิ้นนะเป็นบางบางชิ้นะบางองค์บางองค์บางคนเก็บไว้ก็เป็นบางคนก็เก็บไว้ไม่เป็นอันนี้ลูกหลานทั้งหลายก็คงอยากจ ะ, ะได้ทราบเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้เป็นแนวสำหรับให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาอันนี้องค์หลวงตาท่านพูดเองนะ อ, อพอพูดเองท่านว่าเออเราเก็บอธัธิษฐานของหลวงปู่มั่นไว้เนี่ยเก็บไว้นานไม่เป็นพรผัสส อ, อมันเราเนี่ยคงจะเป็นบาปกรรมอันหนึ่งท่านว่านะแอบพวกลูกหลานฟังเอาไว้จุดนี้นะ่ะเ อ, อท่านว่าในสมัยโค้งสุดท้ายหลวงปู่มั่นก่อนที่ท่านจะพัลละภาพปีสุดท้ายนะท่านพูดดุให้พระอย่างขนานหนักนะเ อ, อพราะก่อนหน้านี้ท่านไป ไปชมเพลิงหลวงปู่เสาที่จังหวัดสกลที่จังหวัดอุบล ร, ราชธานีพอจากนั้นพระในยุคสมัยนั้นเขาก็ป่นบดกระดูกของหลวงปู่เสา อ, อ, อัดเป็นลูกหลวงปู่เสาขึ้นมาเล็กๆใส่กาวขึ้นมาแล้วอัดใส่ดินเหนียวหรือใส่อะไรอย่างที่พวกเราเห็นเป็นพระเครื่องกัเป็นลูกหลวงปู่เสาแต่เป็น อธิธาต์ของหลวงปูเ่เสาแต่ได้มีคนมาพูดให้หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นฟังไลยหลวงปู่มั่นก็บอกโวทำไมวะมันหาเงินถึงขนาดนั้นเชี่ยวเหรอขนาดบทกระดูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตนวเองรักเคารพนับถือเลื่อมใสมันหากินขนาดนั้นเหรอมันเป็นหมาเ น, นี่ยพวกมันกินกระดูกเลยมันกินกระทั่งกระดูกหมามันยังไม่กินกระโดกเลอหลวงปู่มั่นท่าน โอ้โหหลวงปู่ล้าเนี่ยหลวงปู่ลานไม่เอาเด็ดขาดเออเราจะไม่เป็นหมาเราจะไม่เอากระดูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์เออหลวงปู่ลานไม่เอาแต่หลวงตามหาบวว<ร>ท่านก็อบอกเราไม่เอาเออกระดูกเราฟังถึงใจจริงๆหลวงปู่มั่นตุกจริงๆเออไม่ให้เออเกี่ยวข้องกับกระดูกของท่านเอ่อพอต่อมาจะนี่หลวงปู่ลานไม่เอาแต่หลวงปู่หลวงตามหาบวว พอท่านมาภาวนาที่วัดดอยธรรมเจดีท่านได้รู้ธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมพูดง่ายๆเพื่อได้สําเร็จเป็นพระหรหันพูดง่ายๆ เ, เมื่อลุงตาได้สําเร็จแล้วลุงตาโอ้ใช่อันนั้นเป็นแนวเป็นแนวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ขู่คนที่ทําอย่างนั้นคนที่หากินอย่างนั้นใช่มันถูกแต่ถ้าว่าอย่างพวกเราเได้มาแล้วเอาไป เคารพสักการะบูชาไม่ได้ไปหาอยู่หากินไม่ได้ไปเอาไปซื้อไปขายเี่ยมันจะผิดที่ตรงไหนโอ้เราเนี่ยไปสุดโตงเกินไปทันวานนะ เ, เรานไปสุดโตงเกินไปใช่แล้วจุดนี้ไม่น่าจะถูกจากนั้นท่านก็เลยเห็นคนถวายนี่เรกระดูกลงปูมั่นท่านอาจารย์จะไหวโอ้ยเอานะอทีแรกท่านปฏิเสธไม่เอาเอเราจะไม่แตะเราไม่ใช่หมาทัานว่านนะอพอต่อมาหลงตาก็รับ พอรับมาไว้ไม่เป็นพระาธาตุเอ๊แปลกท่านว่านะแต่คนอื่นเอาไปแล้วก็ไปเก็บไว้เคารพสักการะบูชาแล้วก็กลายเป็นพระาธาตุเป็นเม็ดกลมขึ้นมาจากนั้นท่านก็ท่านก็ได้มามาที่วัดป่าบ้านตาดเขาขอถวายมาเป็นอธิษธานของหลวงปู่มัน่นยังเป็นยังเป็นกระดูกอยู่ยเป็นชิ้นอยู่ท่านก็เก็บไว้พอเก็บไว้เสร็จแล้วแตนี่วันหนึ่ง ท่านอายการคูนที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงตาเนี่ยมาเป็นผู้ดูแลวัดป่าปัญตา ต, ตั้งแต่ยุคแรกสมัยแรก เ, เขาก็ถามว่าท่านอาจารย์ได้ยินว่าคนอื่นเขาได้อธิษธานของหลวงปู่มั่นแต่ท่านอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่มีบ้างเหรอครับผมครัผมอยากจะได้เอาไปเคารพสักการะบูชาท่านอาจารย์มีไหมครับผมหลวงต า, าเออมีอยู่ที่เราจะเก็บไว้มีอยู่อ้าว ถ้่อายการจะเอาก็เอาไปหลวงตากเคยมอบให้มอบให้อายการอายการคูณสมัยนั้นพออายการคูณเอาไปแล้วท่านเอาไปไว้หิฮงพระข้างบนอยู่ชั้นบนเป็นห้องพระอีกห้องหนึ่งอพอเข้าไมา่วันที่หนึ่งที่สองที่สามเท่านั้นมีกลิ่นหอมหอมหอมผิดปกติหอมแบบไม่มีไม่มีน้ําอบน้ําหอมไหนที่จะมีกลิ่น ยิ่งกว่านั้นอันนี้ลงตาพูดให้หลวงพ่อฟังนะเอพอจากนั้นมาอายการคูนก็บอกว่าเอยสงสัยเออติ ธ, ธาต์ของหลวงปู่มั่นจะกลายเป็นประธาต์แล้วนี่พวกเราไม่ต้องขึ้นไปนอนข้างบนนะนอนข้างล่างก็ได้หรอกนะี่ก็เลยให้พวกลูกๆทั้งหลายนอนข้างล่างแต่ตามจริงก็มีห้องพระแล้วก็มีห้องนอนอยู่ข้างบนไม่ให้ลูกใครขึ้นไปข้างบนทั้งหมดนอนพักข้างล่างทั้งหมดพอถึงเจ็ดวัน หายกินน่ะกินแล้วนั้นก็หายจางไปพอจางไปแล้วก็เคลดไปดูพอไปดูไปเปิดดูโอ้กระดูกของหลวงปูมัน่นเป็นพระธาตุจริงๆเไงเป็นเม็ดกลมจริงๆเฮเป็นเม็ดพระธาตุสีดอกพิกลเออจะนั้นก็เลยมากราบองค์หลวงตาหลวงตาอืเราเก็บวไว้ตั้งนมนาน เ, ออเราคงจะมีบาปกรรมตัวนั้นะที่ได้ปลา ม, มาด อ, อ, องค์หลวงปู่แต่เราเราก็กราบคารวะแล้วคารวะอีก ออยอมสารภาพผิดแต่ถึงยังไงมันจุดนั้นมันมันฝังลึกทันวานะแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรหรอกออแต่หลวงปูง่มันก็เลยกลายเป็นพระทาตให้ท่านอยายการคุณ เ, เขา้ามาบอกให้เรานี่แหละอนอ้ถ้าว่าใครได้รับเป็นอย่างนั้นเข้ามาจะทำยังไงว่ากระดูกของหลวงปู่มันไม่ใช่พระทาตใช่ไหมพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อ เ, ออเขาต้องเชื่อในที่เห็น กับหูกับตาของเขาอันนี้ก็คื อ, เ, อเล่าความเป็นมาที่เป็นอธิษฐานให้กับพวกคณะพระเนรลูกหลานได้ฟังจากนั้นนนัคือก่อนที่จะเป็นพระธาตุเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยหลวงปู่มั่นเท่ากับภาวนาของท่านจนได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรายอมรับจากนั้นก็หลวงปู่มั่นเท่าก็สอนกรรมฐานให้กับ ลูกศิษย์ลูกหาของท่านท่านบอกว่าการที่ภาว น, นาอย่างที่พระพุทธเจ้าภา ว, ว น, นาอยู่ที่คโคลนต้นโพน์กาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นรู้สึกว่ามันจะเผอได้ง่ายนะให้กําหนดหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทให้บริกรรมพด มันจะไม่เผลอมันจะไม่หลงลืมง่ายอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นท่านสอนทุกองอเราจะได้ยินถ้าหากว่าเป็นธรรมเล็กขิดหรือว่าประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านได้เขียนลงในประวัติแล้วท่านก็จะพูดเรื่องหลวงปู่มั่นสอนภาวนาพทุทโธอย่างหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ครูบาอาจารย์องค์อื่นทุกองอท่านให้ภาวนาพทุทโธเป็นหลัก แต่ที่จะถื่เปลีกไปได้ก็มีอยู่อย่างองหลวงปู่ล้านท่านสอนแต่ท่านก็สอนภาวนาพุทโธนะเป็นหลักนะแต่ยังภาวนาอย่างอื่นก็ได้เพราะไม่ปิดกฎกติกาเพราะพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิอย่างจะภาวนาว่าเกิดดับเกิดดับก็ได้เกิดตายเกิดตายเวลาหายใจเข้าเกิดเวลาหายใจออกตายเกิดดับเกิดดับก็ได้เห็นอันนี้จังของไม่เที่ยง อันนี้ก็คือหลวงปู่ล่าท่านก็สอนแต่เราก็ไม่ผิดนะแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาหายใจเข้าพุทหายใจออกโตแต่องค์หลวงตาเนียืนยันรับรองในแนวแถวของหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตามหาบัวท่านเรียนทางปริยัติได้เป็นมหาจากนั้นเท่าก็นน่ยยึดแนวแถวที่ท่าน ไ, ได้ศึกษามาทางพุทธประวัติท่านก็หายใจเข้าขันโมลิกัม ไม่ได้บริกรรมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปะชัญญะในล ม, มญญนหายใจออกอการกำหนดลมก็เหมือนเรายือนอยู่ข้างประตูประตูเข้าอาคารหลังนี้ะเวลาคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้าลนคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปเราจะไม่ตามคนเข้ามาเราก็ไม่ตามคนออกไปเราให้ยือนอยู่ข้างประตูให้มีสติ ว่สัมปชัญญะที่ปลายจมูกเท่านั้นอันนี้ก็คือกำหนดลมแต่หลวงปู่มั่นท่านบอกกาหนดลมอย่างนั้นถกระเถอะแต่มันยังหายมันยังหายละมันยังเผอได้หายได้เวลาหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทให้มีพดโทด้วยนะอันนี้เราจะเป็นพลังสองคือหายใจเข้าพดท้ายจะออกโถอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนลวงตาท่านก็ เอ่เมื่อเราภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกมันเผลอมันลืมเออจัดให้เรากดท่านกเยึดแนวแถวที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงตามหาบวชหายใจเข้าพดหายใจออกโทมีสติสัมปชัญญะท่านบอกว่าโ้วันแรกเนี่ยมันสับสนเหลือเกินมันมันออกมันไม่อยู่กับลมพอวันที่สองบังคับอกีก พอวันที่สามเนี่ยรู้สึกโอ้โหเหมือนอกจะแตกทันวันนะไม่มีงานไหนที่จะหนักยิ่งกว่าการบังคับให้สติให้สติอยู่กับพุทโธกับลมหายใจเข้าออกมันหนักขนาดนั้นนะเออทันวันนะพอถึงวันที่สี่เข้ามาแล้วเออรู้สึกเบามีสติทันกัมันถึงพอเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นใจของเราทันกับอารมณ์ทันกับความรู้สึก กำหนดลมหายใจมันอยู่ใช่มันอยู่นิ่งพอวันที่ห้าที่หกเขมาเออมั่นใจใจของเราคงไม่เสื่อมแน่ข่าวนี่เพราะว่าเรารู้จากทางทางออกทางไปทางมาของใจแล้วจากนั้นเราจะกำหนดให้จิตใจสงบมันก็สงบได้เออแล้วก็จะทำกำหนดให้มันสงบเวลาไหนก็ได้เวลาเข้าเวลาออกของสมาธิเออเรารู้วิธีการ เพราะนั้นเราจึงติดในสมาธิถึงห้าปีลงตามหาบัวท่านพูดเราจิตใจของเราติดอยู่ในสมาธิห้าปีไม่เคยไม่เคยเอไปทางไหนเลยกําหนดเวลาไหนเข้าได้ เ, เวลากําหนดดูให้จุดจิตเน่งเท่านั้นมันเข้าสมาธิได้เลยเ อ, อันนี้เนี่ยคือสมาธิของเราห้าปีแต่เราก็ไปหลวงปู่มั่นเขาก็ถามถึง เป็นไงมาหาภาวนาโอ้ก็ผมภาวนาสมาธิของข้าบกระผมเนี่ยแน่นหนามัาน่นมากครับกําหนดลมกําหนดเมื่อไหรให้เข้าเมื่อไรได้เมื่อนั้นแน่นเปึ้อเลยอใน จ, ใจิตใจจิตใจแน่นในเรื่องสมาธิแน่นเปึ้อเลยจะนั่งทั้งคืนก็ได้อพอวันไหนจะนั่งทั้งคืนนท่านบอกว่าถ้าว่าคืนไหนฝนตกดินพรํำๆอากาศเย็นๆ เหมือนกับสติของเราเนี่ยเหมือนกับคีมปากคมๆจับในสมาธิเนี่ยหยุดอยู่หมัดเลยนิ่งเลยแต่วันไหนอากาศไม่ดีอากาศร้อนๆอากาศพอนั่งเข้าไปแล้วโอ้โหอากาศอบอ้าววันนั้นจะเข้าสมาธิได้ได้ยากหน่อยได้ยากบ้างแต่มันก็เข้าเข้าได้แต่วันไหนเข้าสมาธิได้ยากนั่งทั้งคืนเพราะเราตั้งจิตอธิษฐานเราจะไม่ลุกมันเลยถ้าว่าไม่ไม่สว่าง แต่วันนั้นรู้สึกว่าเพลียนะเพราะว่าเราเข้าสมาธิมันเข้าระยากไ ม, ไม่เหมือนวันอากาศอุตุไม่สับปายะเลยถ้าอุตุสับปายะเราจะนั่งได้ทั้งคืนอันนี้ลงตาท่านกับพูดให้พวกเราสิทธิอนุสิทธิ์ทั้งหลายได้ไ ด, ได้ศึกษานะแต่เน้มาถึงหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ถามว่าเป็นไงมหาภาวนาเนี่ย น, นะนั่งทั้งคืนได้ครับผมจิตใจสงบเป็นหนึ่ง เรื่องสมาธินี่แน่นปึ่งครับผมหลวงตามหาโบหลวงปู่มั่นก็บอกว่าเอ้ยมหามันต้องนามาออกมาพิจารณาสิบังคับให้มันออกพิจารณาสิ อ, อ, อันนี้มีแต่สมถะอย่างเดียวจิตใจสงบอย่างเดียวไม่ถูกนะต้องนำมาพิจารณาพิจารณาเกสาผมโลมาขนนาคเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกแยกส่วนแบ่งส่วนอาการสามสบสองของร่างกาย ให้เป็นอสุภะปฏิกูลให้เป็นให้ดูสู่ลงสู่ดินน้ำลมไฟให้เป็นธาตุสี่นี่นะให้พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นของไม่กิรังถาวร อ, อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟว่าลมไฟมันไม่ใช่ของเรานะร่างกายนะ ถึงจะเลี้ยงได้ดีขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวหลังคอมผลใเยซูก็ตายไม่มีใครที่จะเลี้ยงร่างกายนี้ให้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปข้างหน้าได้เลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะอาหารจะดีขนาดไหนก็เถอะเสื้อผ้าจะดีขนาดไหนก็เถอะยาจะดีขนาดไหนก็เถอะที่อยู่อาศัยจะดีขนาดไหนก็เถอะ อ, อถึงจะให้อยู่ดีขนาดไหนก็เถิดร่างกายยังเป็นอื่นอยู่เสมอแก่เจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นให้พิจารณาให้พิจารณานะร่างกายนี่มันเป็นอื่นอยู่เสมอนะไม่ใช่ตัวตนของเราหลวงปู่มั่นท่านก็นแนะนําสั่งสอนแต่ลงตาบอกว่า อ, ออกไม่ได้ครับมันไม่ยอมออกหลวงปู่มั่นตะเพิดอย่างแรงนะเฮ้มันไม่ออกไม่ได้อย่างไงสมาธิที่ท่านอยู่นั้นน่ะ มันเหมือนกับเนื้อติดฟันขขง เ, เองมันจะหาความสุขได้ที่ไหนต้องพิจารณาสิมันจึงจะถูกต้องเดินวิปัสสนาจึงจะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจได้อันนี้เพียง ส, สมัตรรมเข้าไปจิตใจเข้าไปสงบหยุดนอนนิ่งอยู่เฉยๆมันจะเกิดประโยชน์อะไรนี่แหละได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ผ่านทางสมัติรวิปัสสนาผ่านทางด้านจิตใจมาแล้วเนี่ย ท่านมองเห็นเลยนะเอบคนนั้นหลวงตาที่หลวงปู่มัน่นท่านบังคับตะเพิดอย่างนั้นหลวงปูพ่พิจารณาเลยถนะอนไม่ยอมไม่ยอมออกบังคับให้ออกเลยเออพอบังคับให้ออกพิจารณานะพอพิจารณาเท่านั้นไปบักใหญ่ได้ทีนี่ตระเลิดเปิดเปิงตระเลงเปิงเปิดทีนี้พอพิจารณาโอ้ตายเราไปนอนอยู่ในสมาธนะิมันเสียเวลาจริงๆมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเราไปนอน อยู่ในที่ร่มที่เย็นเราไม่ได้ออกทำการทำงานผลงานจะมีได้อย่างไรเมื่อเราไป น, นอนอยู่เฉยๆแต่บัดนี้เราได้นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นผลงานจิตใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายรู้แจ้งเล็นจริงขึ้นมาเป็น เ, เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโอ้ตอนนี้พอมันออกไปมันก็ออกไปเกินไปถึงของเรามันไม่พอดีนะจำบัาาน ะ, ะตลอดเปิดเปิงตางเปิงเปิดดี๋ค เอาไม่อยู่อีกแเ้วไงเข้าไปกราบหลวงปู่มัน่นโอ้กับผมนำมาพิจารณาแล้วแต่ว่าโอ้มันออกไปมันออกจะนอนไม่หลับครับผมแต่ละวั น, นมันปง่งฟุ้งอยู่ตลอดเลยนอนกลางคืนก็นอนไม่ได้มันชวนพิจารณาอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่มัน่นบอกนั่นแหละมันบ้าสังขารมันหลงสังขารไปปล่อยอย่างนั้นได้ยังไงต้องบังคับให้มันสงบอนีนี่นี่หละครูบาอาจารย์ท่านสอน เออต้องให้สงบนะจากนั้นไม่ได้นะเป็นบ้านนะเออต้องให้สงบจากนั้นก็บังคับอีกทีเออให้อยู่ในกรรมฐานหายใจเข้าพุทหายใจออกโถจิตใจสงบเออพอสงบอยู่ได้เออพออยู่ได้แล้วก็ถอนออกมาพิจารณาพอพ้อนพิจารณาเสร็จแล้วให้กลับไปหาความสงบพอความสงบแล้วถอนมาพิจารณาอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้อง ตามแนวแถวที่พ่อแม่ผูบาจารองหลวงปู่องหลวงตาที่ท่านแนะนำสั่งสอนขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายวิธีเดินสมถะเดินยังไงเดินวิปัชนาเดินยังไงนี่แหละจากนั้นเมื่อขณะที่จิตใจสงบอย่าไปคิดอย่าไปปรุงให้มันสงบให้มันเน่งให้มันพักในเมื่อมันพักเพียงพอแล้วออกเดินทางวิปัชนาในขณะที่เดินอย่าให้มันหลับ เพราะขณะที่เราทํางานนะอย่าให้มันหลับให้มันพิจารณาเห็นหาเหตุหาผลพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลในเมื่อเราพิจารณาการกรองไต่ตรองดูแล้วเอมันจิตมันเพลียเอากลับเข้าไปสู่ความสงบไปพักผ่อนก่อนเข้าสมาธิเอจะนั่งสลับกันต่างต่างกลมต่างวาระนะอแต่ผลที่สุดพอมาพิจารณาเห็นร่างกาย ออพอเห็นร่างกายแล้วก็เข้าพักผ่อนจิตใจที่ผ่านความสงบคือการพักผ่อนมันจะเห็นได้ชัดนะร่างกายเหมือนกับรถจริตใจเหมือนกับคนขับรถเหมือนกับเราโซเฟอร์นะเนี่ยเสร็จแล้วพอออกมาจากรถเปิดฝากระโปรงดูว่ารถคันนี้มีเครื่องอะไรบ้างตัวไหนมันชำรุดตัวไหนมันเสียแต่ทุกอย่างมันเสียทั้งหมดน่ะ คือร่างคือรถคันนี้มันเป็นอย่างนี้การเป็นอยู่มันเป็นอย่างนี้แต่อีกสักวันนึงรถคันนี้ต้องพังนะจีบหายนะตายนะเป็นรถเก่านะอันนี้คือโซเฟอร์ต้องดูดูแลก่อนร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จากนั้นเอาเข้ามาขับรถไปอกีกจากนั้นก็พิจารณาเอกนี่แหละคือาการพิจารณาร่างกายพิจารณาโซเฟอร์พิจารณารถ จากนั้นโซเฟอร์ก็ดูตัวเองแหละท่นี่เอเรานะ่ยจะไปซื้อรถที่ไหนจะเป็นยังไงมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเพราะเหตุไรมันจึงเราจึงไปงมัวเมากับซื้อกับรถคันนี้อยู่ตลอดซื้อมาเตอนไหนมันก็พังเท่านั้นแหละสิรถคันนีนะ้จากนั้นก็มองดูใจของตนเองท่านี่มองโซเฟอร์โชเฟอร์ดูโชเฟอร์โชเฟอร์ทําความเข้าใจกับโซเฟอร์ จากนั้นโซเฟอร์ก็เห็นตัวเองนะจะนั่นกัเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่แหละนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายโซเฟอร์เห็นโซเฟอร์นะจากนั้นนิพพานก็ไม่ต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของครูอยู่ที่ตัวโซเฟอร์ทั้งหมดคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงเบื่อหน่ายคลายใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะนี่แหละอันนี้ก็คือแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพระ ลูกผ้าหลานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องสมถติธปฏิบัติอย่างไงหลวงปู่มั่นสอนวิปัชนาทำอย่างไรที่หลวงปู่มั่นสอนองค์หลวงตาแต่ใ น, นเราเมื่อเราศึกษาแล้วเราก็ไปศึกษาองค์อื่นอีกก็ได้แล้วก็ที่พระพุทธเจ้า ท, ท่านได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนั้นท่านทาอย่างไร นี่ล่ะสรุปแล้วก็คือมันเข้ากันได้ที่หลวงพ่อว่านะสรุปแล้วก็คือที่ท่านภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ส, สติกำหนดลมหายใจแต่หลวงปู่มั่นหายใจเข้าพดหายใจออกโธ บ, บังคับแต่หลวงพ่อขอแถมนะสาาจจัตาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกทุกองอแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยอยากจะรู้ว่าเอจิตใจของรอนมันออกในช่วงไหนวะหลวงพ่อน่ หลวงพ่อคิดว่าไม่ผิดนะหลวงพ่อกำหนดแนะนําสั่งแนะนําบอกลูกหลานพระวสเพียงจะทํากิตใจให้สงบอย่างที่หลวงพ่อได้เรียนให้ทราบว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้าสี่สิบอย่างเดิมมากกว่านั้นแต่หลวงพ่อแนะนําอีกคุณพิธีการหลวงพ่อว่าให้พวกเราลองนับดูนะเพราะพวกเราทิศสัยของเราชอบนับนับหนึ่งนับสองนับสามะพาะนั้นเวลาหายใจเข้าเราให้นับ หนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าหกแต่ไม่จะไปแต่งมันจะไปแต่งลมนะ อ, อใครเขา้านับตามปกติให้มีสติสัมปชัญญะในการนับลมแต่มันหลงไหมมันเผลอไหมถ้ามันเผลอนับไปถึงสิบมันเผลอเนี่ยเราต้องกลับมานับใหม่จะไปนับต่อนะนับมากลับมันหนึ่งใหม่เอ๊ะทําไมมันเผลอตั้งท่าให้มาอีกออตั้งท่าตั้งสติให้มากขึ้นอกีก ผลที่สุดออพอตั้งขึ้นไปแล้วมันจะไม่เผล อ, อ, อได้นาน น, ะนี่แหละถ้ามันเผลอมันพอนับไปแล้วไม่เท่าไหร่เบอๆๆเบเบอร์นะยเสร็จแล้วก็หายใจเข้าทั้งที่เป็นเลขขี้หนึ่งนะหายใจออกเป็นเลขคู่สองสามสี่คู่ขี้คู่ขี้ขี้คู่ไปเคยขี้คู่ขี่คู่กี่คู่ อแต่พอมันเผลอเข้ามาแล้วคู่ขี้นะที่นี่นะมันขี้คู่คู่ขี้นในพวกเรามันเผลอจุดนั้นแหละให้พวกเราสังเกตนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราทดทดลองดูนะเมื่อเราสังเกตด้วยอยู่จิตใจอยู่พอสมควรแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธอีกนะอแต่ใหม่ๆเราจะจ ะ, จะพู้มันออกช่วงไหนวะเราภาวนาพทโธพุดโธเนมัน นุ่นไปอยู่อเมริกาอังกฤษไปอยู่รอบจกักรวาลไหนก็ไม่รู้เอาเถอะมันจะออกในช่วงไหนวะ เ, เราก็กำหนดลมหายใจเราเข้าเราก็นับเลยนะเนหนึ่งสองสามสี่ไปถึงร้อยนะพอถึงร้อยแล้วกลับมานับหนึ่งใหม่อีกถึงร้อยแล้วก็กลับมาอีกถ้ามันไม่เผลอนะถ้ามันเผลอจุดไหนให้กลับมาให้รีบกลับมาเลยอย่าไปต่อเราจะได้รู้ว่าใจของเรามันเผลอในช่วงไหนนะ อันนี้ก็ขอฝากไว้กับพรนลูกพานหลานพ า, าน้องพระนุ่งคณะศรทัทธาญาติโยมทุกทุกท่านนะวันนี้ก็หลวงพ่อได้กล่าวสมโมทนนยกถาแลก็ได้ย ก, ก, ก, เ, ก, ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจากปูชนียานังบัณฑิตานันจะเสวนาคือบันดิตก็คือองค์หลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะคือบัณฑิตทั้งหมดสินห้าคือบัณฑิตสินส2ยีคือบัณฑิตคุณงามความดีทั้งหลายสัมมาทิฏฐิทั้งหลายคือบัณฑิตนะถ้ว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วนะั่นเป็นว่าอาัศ ว, วนาเป็นภาะชนเป็นผ่าน่ถ้าว่าบัณฑิตก็คือความถูกต้องคือความเป็นธรรม และก็ควรบูชาจักปูชนียานังบูชาสิ่งที่ควรบูชาไม่ใช่ว่าเห็นขี้หมูขี้มมาเดี๋ยวนก็ไปบูชาบทไม่ใช่บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บูชาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้บูชาสิ่งที่ควรบูชาเพราะฉะนั้นพวกเราให้ ได้เกิดมาพบพุทธศาสนาต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาใช้ความเพียรใช้ความรอบคอบ เ, อเท่าที่มีแล้วก็ใช้การศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆจากนั้นเราก็ประมวลประเมินที่อันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรศึกษาจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้จากนั้นเราก็นํามาคิดนํามาพิจารณาอีกทีนึงจากนั้นเราจึงปักใจ ลงใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติแต่ที่ยังไงอันใหม่ๆนี่ก็เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอันนี้เป็นของธรรมดาอันนี้มันถึงยังไงท่านก็วิเคราะห์ อ, อยู่แล้วคนที่มีมีทานเป็นยังไงคนคี่ที่ตีทีเหนียวไปที่ไหนเขาก็ไม่ยอมรับนะ อ, นนอันนี้คนไม่มีทานคนไม่มีศีลก็เหมือนกันไปที่ไหนคนก็ระแวงแคลงตัวแคลงใจอันนี้คนไม่มีศีล คนไม่มีสมาธิเป็นยังไงจิตใจเบลอเป็นบ้าเป็นบ่อเป็นบอไปได้ไง่ายๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาิโยมพระเนรน้องหนุ้งทั้งหลายนะให้หนักแน่นในศีลธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเบื้องต้นเราได้ยินอะไรมาให้ฟังเอาไว้ก่อนเพราะทุกวันนี้เสียงอะไรตอนน่อมิอะไรมากมายที่พวกเราจะได้ฟังได้ศึกษานะนการกล่าวสมโธธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลา ด้วยอานาจคุณพระศีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลด้วยอำนาจบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นและก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราขอให้มาคุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาะทุกทกท่านด้วยเธิน